โอ้พเพื่อนเอ๋ยนี่คือบ้านเราและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปถึงวันนี้พบเจอแต่เรื่องร้ายอยากให้เนเอาไว้ให้ทำใจรอถ้าหากมีความเข้มแข็งที่มากพอ 地有空地。 The.